ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งาธาตุขันต้องเจ้าของอยู่ลาพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงทาธาตุทรงขันอยู่แล้วอี่วเกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่และจินละอันแต่และสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลา ที่คนเนี่ยพระเนนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนรับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้น แม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทาง ที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไป ต, ตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจอ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมผั์จากครูจากอาจารย์ ในแง่ใดมุมใดให้นำมามเป็นข้อคิดอ่านแต่จรงเพื่อเป็นอัดเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะกิยาอาการชุ่มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนแต่จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่ จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มาม า, ม า, มากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่คุมะคุบาอาจารย์มั่นท่านมารับนาภาพลงไป หมู่เพื่อนเขามาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณะภาพไปกระดูมันสามสิบแปดปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจกเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจําเป็นของหมู่เพื่อนที่มายึดที่มายึดมาเกาะก็จําต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ภู้มาศึกษา เพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวเหลวไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทาทางด้านจิตตักภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเพียงอาศัยเชื่อระยะการยาได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นกฎ การเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นก า, การให้เสียทางด้านจิตตะภาวานาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งด้วยแล้วตั้งแต่เสา ะ, ะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวานาโดยถ่าเดียวเท่านั้นดูเรื่องของกิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากกิตโดยถ่เดียวนี่เท่านั้น หากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็หมหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอหาควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อ อาดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อควยเอาสิ่งที่มีเป็นประโยชน์เข้ามาเผาดลจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมา อบรมสั่งสอนมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยแม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินยัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยําไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านเราเด็ศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยอย่างไรก็ นำมาอบรมสั่งสอนมู่เพื่อนดยความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมนะควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้น แต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่จรองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมที่แทรกขึ้นมาในจิยาอาการของหมู่เพื่อนแต่รายละลา ย, ลายก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเรื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่าน เพราะผู้เตือนเตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามาม า, มานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมาก แขงขึ้นมาในวัดนี้เพราะมีหลายองค์อยู่ด้วยกันองค์หนึ่งทํางานหนึ่งอคหนึ่งทำงานหนึ่ ง, อ ง, ง, ง, นนงมองดูงานแล้วไม่ใช่งานแก้กิเลสแต่เป็นงานเพิ่มความกังวลสั่งสมความกังวลหรือสร้างความกังวลขึ้นมาภายในใจโดยเจ้าตัวผู้ทําอยู่นั้นก็ไม่ทราบเลยว่างานนั้นเป็นงานเช่นไรก็จะมามัวคิดตั้งแต่ว่างานนี้เป็นผลประโยชน์เป็นงานของศาสนาเป็นงานของวัดวาอาวาส เป็นงานเพื่อหมู่เพื่อคณะแต่มีความจําเป็นมากน้อยเพียงไรงานนี้ได้ทําความกับตุกกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิดตัดพอนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทําให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจย่างนนเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจมกลมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดําเนินมา ห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาิลตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทํานองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างท่านผู้ทรงมากทรงผล ที่เป็นสาระของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธทางสนังกัจฉามิก็ดีธรรม ท, ที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสาม รัตนานี้มาเป็นสานะที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใดท่านตะเกียรตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นละ่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องนำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความ แก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลําดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความตรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเกียนนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มทุนเปล่าๆว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโ น, น้น อยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตดหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุนพวกเราซึ่งเคยต้มตุนมามากแล้วนานตแสนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียร ที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยสัทธาวิยาสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าภละหา้าหรืออินทรีหา้าอะอินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหั่นกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกําลังของใจแล้วอันว่ารัทธา อย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหะศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดําเนินมาอย่างไรเราก็ดําเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทําของตนศรัทธาวิิยะเพียนที่จะ แก้แะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยบถหนึ่งหนึ่งไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี้เลยนะฟังสิ <c oughs> นี่อะท่านว่าพระห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำทรห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินนฟังสิสติสบัตถปฏิยา สติเป็นธรรมที่จําต้องปราบถนาในที่ทั้งปวงนะ่ะมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆท่านเรียกว่าสติสมาธิมีความความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่าง ส, m, สม่ํำเสมอเหนียวแน่นจันทของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านท่านว่าสมาธิในทางเหตุ ผลนั่นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นค ง, งของใจปัญญาหนังเสกปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกครานไปตั้งเอาล้มตั้งขึ้นมา ที่นี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคาขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรเอะมากจะไม่คาดเคลื่อนและไม่คาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เว ล, ล, เวลาซึ่งไม่เคยให มากให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแต่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นฐานที่เป็นเวลามเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั่งเดิมไม่เคยไปทําความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านําเข้ามาเป็นการทําลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทําลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นฆาตสืบนอกจากกิเลสเป็นฆาตสืบไปคว้ า, ามาห้ามหันฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจาก ความหวังต่อมรผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวล้าลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้งห้าศรัท ธ, ธาวิญญาสติสมาธิปัญญาหรือพาระห้านี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ายิ่งลียได้เวราเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทําทั้งห้าประการนี้แล้วมรผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อ หน้านี้ก็ตามเพราะพระ อ, องค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่า น, นั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่าติเรลตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในรวดลายของมันของหมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญา ย, ยังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้า ได้จับทะลุชันน้นใดประกาศทำสอนไว้ฉันนั้นไม่มีหางเหินจากสวขาธรรมที่จับได้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนาธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเทาะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อนนรกอวิชีทั้งหลาย ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอะธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมมาซะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและจุดรากของเราให้ลงทางต่ําเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในใจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจรึงไม่เห็นคําว่าสมาธิพระองค์ทรง ทร ง, งมาแล้วปัญญาก็ดีมุดอยู่พ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลิพาน์ที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเน่ยทํามะธรรมเกิดทํ า, า, ท า, αι, ทาททอะไรเกิดอืมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเหล่านี้ให้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากรีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไร เราณิจารสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราความภาคเปี่ยนเราหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนานพระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรและพปะวาทคาจังสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างใดหรือไม่หรือสอนให้กลมกืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลย สอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสยัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้น <c oughs> ครั้งพุตธการท่านเป็นอย่างไรสวดสดร้อนร้อนกังวานอยู่ในท่าเรียนในในแบบในตำรับตำลาก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจํามาได้นั่นแหละอื <c oughs> เรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเรา ยาให้มีความขี้เกียจขี้ค้านท่อถอยวันแอะเข้าไปเกี่ยวข้องทําลายความเพียรอ น, นั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่นี่แหละทางเดินกลางบานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคาว่าความเพียรก็ให้เป็นกลางบาลอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสําคัญมากะวิริยะ ความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ความขี้เกียจขีค้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของยีเดีมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ําตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความอรเด็ดอร่อยไปเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขีค้านในเอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่แหละเรื่องยาพิษของยีเลียด ม, มันมีรถเึ่งขนาดไหนฟังเราสิเมื่อรถของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันเ่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันติดจางเลยนั่นฟังเราสิสติตั้งลงไปคนไม่มีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้าร้อยเปอร์เซ็ ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักาศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมักก้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารหมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเราไป ถ้าลงมันได้ค ว, ว้าถูกมือแล้วจังไงก็เอามาสังหารเหล่าเนี่ยไม่สังหารที่อื่นนี่หละเรื่องทำกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับทำเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกําลังพอกิเลสจริงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทํางานเสก่อนเสก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกําลัง นี่เ่ยทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเทียนปีนี้พิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้งยี่สิบปียี่สิบกว่ามาแล้วจยนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติ ทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากนะ้อยถึงไหผลประโยชน์ทำให้เราได้เห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าเออแสนสมัยแล้วเวลานี้เล่าผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอแห่งจะเจอความผาสุขสบายเย็นใจเป็นที่ตาใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเขาก็ ดิ้นรนกระวนกระวาไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกอันนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจารณามาเทียบเคียงสยิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออก เพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจอท่านเจออย่างไรถ้าหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของเจดิตเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรประพฤติปฏิบัติโดยลําดับลําดาจนกระทั่งซ้าลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อย นั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์รำเริ่มตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปโดยลําดับลาดาถึงปัญป ญ, ญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่หนี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพาน ไม่ทรงไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลย right. ว่าตรัสรูสร้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระรหัสรหัสท่านก็เหมือนกันบรรลุธรรมหรตรัสรู้ธมมรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงซะใหม่เมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนไปแล้วว่า เป็นมีมุตดหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติมาได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พูโทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดิีพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับผู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดําเนินทาง สายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่ บ, บรรลุธรรมถึงขั้นนิมตุตพ้นความความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพินาจารณ์ดีนั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เอออาละที่นี่ท่านว่าสุขขังมัตะสุขขังมัตะดังพระมหากระบินท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดิน เวลาท่านออกสเสด็จออกทรงพระหนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เป็นมากเปร่งอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขขังวตาสุขขั้งวตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอหนอักนะจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ไปพิภาทพิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิณ น, นี้แต่ก่อนท่าน โดยครงราชสมปัญญท่านคงจะคิดถึงราชสมปัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี้ได้รับความลําบากลําบนขวาขอทานกินอย่างนี้เนี่ยเป็นความคิดแต่อย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองรับสั่งให้พระหมหากระเบนเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็นอุทานมาสุขขั้งวาตาสุขขั้งวาตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากระเ น, นีบนฟังเลยท่านก็กราบทูลว่า ตั้งแต่ข้าพระองค์เป erm <It> ็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกรหยิมยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้ละละวางสิ่งนั้นมาพฤชปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข่าสึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบ้านประจากใจแล้วอยู่ที่ไหนก็ เป็นสุขอยู่ที่นหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปลียนอุทานเสมอว่าสุขั้งวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอนัดในยาบททั้งสี่ยบทใดที่ท่านจะไม่มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นเกิดซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตตหลุดพ้นหรือวิมุตติกิจทั้งท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหะจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่ง สอนจัดโลกให้ถึงลิมิตดุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมมาสุขบรมมาสุขนะั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไฟราคาตันหามมันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการกบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัยสี่คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่ม ทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโ ย, ยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่การหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงอยู่ยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดต๋บันตานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาจะโยมพร้อมเสมอที่จะเทงหลายที่จะใหอะอะอะ้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายเนี่ราขาดอะไรเวลานี้ นอกจากจะนอนหลับทับสิทธิ์ลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกข้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์พาณิตใจ ใ, จให้จีดกัน้นหรือกิตขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปาดออกสิ่งเหล่านี้ ถ้าต้องการความจุอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจได้จะไม่ทําคนให้เป็นทุกข์หรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทําไมจะเอา ส, สว่านิมานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละห <Okay. S 1> ากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ <Okay. S 1> ในการต่อสู้กิกเลสนี้ <Okay. S 1> ว่า เป็นสิ่งที่สุดรวิสัยที่จะทําได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วหรือเราต้องคิดอย่างนี้นะักปฏิบัติมีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูวาจารย์ทั้งหลายท่านดําเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็ไดยพยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกําลังความสามารถไม่มีถึงใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟัง นอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ ท, ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จําเป็นสุพิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยติดบงังลี้ลับภันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนําสั่งสอนแล้วยึดประพฤติธปฏิบัติ ไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นพายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยซึ่งโลกข้างหลังเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครที่จะฟื้นฟนูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยเหมือนผู้สินสส้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเกลียนดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเอาเอาเข้าไปเถอะทํา5ประการนี้กิเลสพังทั้งนั้น พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกขอดีท่านนำธรรมเหล่านี้แลไปพังกิเลสให้แตกกระจั ก, กระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราจะได้กล่าวว่าจาถึงว่าพุทธทางธรรมังสนังกระฉามนี้จนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้งห้าป ร, ประเภทนี้เป็นสําคัญในวงความเพียรของพวกเราเห็นพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวล่ําการศึกษาอารมพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันแล้วเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทับ พ, พียขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสําคัญมาตนดีถ้าความสําคัญมาตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีทานฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั้นแล้วแล้ว มันจะกีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการกีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านําเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ่าขี้เล้วใครว่ายังไงพิจารณานํามาพิจารณาให้เป็นอัดเป็นธรรมข้อคิดเพื่อ อ, อัดเพื่อทำนั่นแล้วที่ผู้มาศึกษารวมโดยแท้อย่านํามาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความคิดถี่มานะ เอนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ปีฉานก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวนก็ว่าตัวดีแล้วตัดกันสุดท้ายมันก็เก็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาให้ถ้าเป็นผ้าเป็นเรียนก็ให้พระเนียนกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมผ้าเนียนกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่ผ้ากัดกันนี่เป็นยังไง มันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านํามาต้องการอย่านํามาเทิดทูนใน ห, หัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างไรให้นํามาประพฤติปฏิบัติทาจัดมันลงไป ขึ้นชีนวกิเลดแม้แม้นิดนึงก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเนจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือพันกิจใ จ, จเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์มุตติพันิภานล้วนๆ น, นั่นแหละที่เนี่ยอยู่ไหนอยู่ความสุขเนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของกิจขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลย ความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัจจิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่วความสิ้นชีวิตหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทําให้เป็นอะไรอีกแล้วภายใน จ, จิตใจนี้เท่า น, านั้นนั่นพากันจําเอาไปพื้นปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเห น, นื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มอัดเต็มทําเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยเพียงไร มันจะปิดบังลี้ลบับขอให้เพื่อนได้เห็นใจนำํำไปปฏิบัติอย่ามาเดิ น, ด, นด้านๆจีดๆขวางๆทั้งตนและผู้อื่นอยู่เนี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่า น, นี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากทำรรรเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่นดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลงได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นทิศอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัดเห้นทำสิ่งที่วิเศษเลิศเลยอยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละ ไม่มีที่อื่นพระพุทธเจา้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่หมู่มเพื่อนมากถ้านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจวณเวลานี้นูน่นดูกุฏิต้องก็ได้ยินหูกับปากจะของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทําไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทําอะไรไ ม, ไม่ไม่พูดไม่ได้เหรือสิ่งที่ควรพูดจําเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดไี่มีสติจะไม่เวิ้งเว่างวากวากเสียงเอตโลโคเฮเหมือนคน หาสติไม่ได้ควรจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปักคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโยมจุฬาฯปักคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระมากก็มีหรือเราอยากไปเลยปักคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งเยียยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติหลูถ้ามีสติ ม, สตมันก็ว่าว่าว่าว่ า, ว า, านูน่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆจึงไได้ยินหูจะของกับปากจะของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยิน นี่ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักไม่มีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไหร่ก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันออกจะแตกกันนะสอนแทบล้มแทบตายข้าวเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลย อ, อันก็ทราบมา ไ, ได้จะทำอย่างไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลส เราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทําไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรากักความชังดับสันดาน มันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายปรพยชน์ปรากรดทำ ค, คือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิหนาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมยาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์ เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมวยนักมวยบนเวทีไม่ได้คำหนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มมานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นการเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนี่ที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเราจะไม่คํานึงถึงความลําบากลําบนนี้เป็นอันมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้ภากันจำเอาไวา้ ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่และองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงพอเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนๆอนที่ท่านนำมาใชา้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยาง ครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจนทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเรา เ, ราเราท่านท่านที่เป็นอยู่เวลนี้ยืดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละนั่นเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่น่ะ กิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นแหละกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่ามันขึ้นสลสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดําเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหน หากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนําอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจที่ข้าเรานังหนาอืมนอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสสรุปทําอยู่ในเวลาหลับครอกๆนั่นพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้าปรับเป็นไปได้นะนอนหลับครอบๆอยู่ก็ให้ตรัสสรุปทานอนหลับครอบๆอยู่ก็ให้ บรรลุมรรคผลนิพพานบนรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาทาบรรลุพระรหัสตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับคลอกๆ อ, อ, อยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับคลอกๆ อ, อย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเอาถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกมันออกกับหลับคลอกๆเลยตรัสรูท้ทำในนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหา่วมหาฐานแลย ท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึงสามครั้งเห็นไหมในตำหนับตำลาพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำหนับตำลาไปยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านันจากสูแตกพระจักภูบาลไม่นอนสามเดือน ถึงขนาดที่ว่าจากสู่แตกเอาแตกไปจากสู่นี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักคุบาลก็เป็นผู้ทรงทำอันเลิศภายในใจแม้จากสู่จะแตกแตก็ตามนั่นตัางที่ศรัทธาของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่า น, นี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็น เป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นทั้งเลยพระพุทธจ้าไม่เห็นทรงสแสดงว่าเอยนอนรับข้คร อ, คอกสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดรับข้อครอกต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแหละไม่ต้องโอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมาย ศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวทั้งแต่หลับครอบคร่อกให้บรรลุธรรมอย่างในนั้นแหละพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดส้นด า, า, ะะานเราฝึกทรมานเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวทีของเราที่ที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตาให้เราตายเท่านั้น สุดท้ายกิเลสก็ตายทังทลายไปหมดเป็นท่านังขัจฉามีของพวกเรามามีแต่ท่านดําเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิบัติคิพ ป, ปาผิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จํานวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากถากควรปั่นคัน่นควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกแตกควรหักหักควรเป็นเป็นควรตายตา ย, ตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิ มันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่โง่งที่สุดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่ า, างไงทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิญญารู้ปฏิปบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มีเนี่ยทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็คิด ป, ปาพิญญาแต่รู้ได้เร็ว ทุกขาปฏิบัติธรรมธาปิญญาปฏิบัติทั้งทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จําเป็นก็ต้องทํานิสายปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทํายากลําบากเราก็ต้องทํางานของเรามันยากนลําบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทํางานของเรายากก็ทําง่ายก็ทําเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทํานี่งานค่ากิเลสกิเลสเป็นเรื่อง มันตั้งอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยประจับวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิงกล่าวไว้ว่าปฏิปทาสี่อย่างที่ปฏิปทาสีอย่างคือยังไงสุขขาปฏิบัติทาคิ ป, ปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วหนึง่ง สุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งนี่ยทุกขาปฏิปทาคิด ป, ปาปัญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วก็มีถ้าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปัญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทาสีอยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้า นิสัยที่ควรจะจะเอากันอย่างหนักเมืก็ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเดียวว่าเป็นนิสัยของแต่ละหลายรายที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆท่านสอนไว้แล้วถึงสี่ปฏิปทาเครื่องนําเนินไม่ใช่แบบเดียวกัในให้พากนันจำเอาไว้จะเอาตั้งแต่สุกรหามสุกกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งมาเป่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรม แล้วก็จะมีมาพูดแต่ว่าครัง้งพุทธการท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายตสั้มบารําบนทำไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสรุปสามผลไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจากคือูบานท่านจากสู่ท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ทําไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทําไมให้กิเลสมันกล่อมเอาก่อมเอาอะไรอะไรก็มีแต่ลำบากลําบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรื่ต้องสอนอย่างมั้นยามกันอย่างนั้นสิกับกิเลส ไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้ลัเรื่องอัตธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบรรัติแนะนําสั่งสอนโลกยิรร่งสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยาไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วตั้งเหตุหทั้งผล น, นั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบัญหาเนี่ยขนาดไหนและทำเป็นของประเสริฐเลิเ ล, เลขนาดห เราต้องมาต่อสู้นําธรร ม, มะภูริเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั่นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกําลังเองลงมือทํางานเองเอาหนักเบาเราก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลหาความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกซะก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกต้องทุกทุกมากทุกน้อยเรื่องความสุขหักมีมาอย่างบรมมัสุมอรมมัสุม ประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงตุวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุ ข, ขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เทิก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทิดไปเทิดไปมันก็เหนื่อยนะก็ฉันจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ เที่ยวกับมีทั้งโนนทั้งทังด้านนี้กับไปทางตั้งภูวาไปทางภูวาดีวัดดงบอตันก็ดีไปหาว่าวัฒนาที่อยนั้นดีในนี้จะเข้าป่าเข้าเขาเหมือนแต่ก่อนไม่มีที่อยู่แล้วนะไมเหมือนแต่ก่อนนะอที่ไหนก็มีทั้งแต่ทุ่งเป็มดเป็นไล่เป็นสวนทั้งหมดแผ่นดินไทยนี่ทุกภาค มันดีอยู่ตั้งแต่ทางรนนแต่อ่านกา ร, รการมีสาบายมันจะเพียงพอไม่เพียงพอก็ลำบากหนึ่งนะก็ต้งองคำนึงถึงผู้เขาเลี้ยงดูการไปมากเกินไปไปทับถมก็ไม่เหมาะแต่ที่เหมาะสำหรับการภาวนาเท่าที่ผมผ่านแถวนี้ทุกวันนี้ก็คือวัดบัว ท, ท่านอุทยอยู่ทางปฏิบัติมรดกอตามมรดกครูบาอาจารย์ไว้ได้ดีนะนั่นดดีวัดลงพอตันก็ดีอยู่ราไปดูสถานที่ภาวนานงนั้นมันมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งเปมนไม่เห็นทางยางกมเนี้ยนี่เราเอื่อมละอ่างจิงไปพอไเห็นน้าสะดุดงเร็ดนะพระกรรมาฐานเรา ไม่ได้สนใจกับภาวนานม่พูดใดท่านนี้นะอะไรกันเอางานนอกเขามาใส่ก็ามาฐานของพระครูาคอาจารย์พลังเงินม่ะทานเอางานนอกมายุ่งมเมื่อไรนี่จะ ง, ง, งานในทั้งนั้นงานในจิตงานพร การทำภาวนาก็ต้องไในสังเกตเจ้าของจะดับมัน ด, ด้วยวิธีใดมันต้องใช้ความสังเกตสอดรู้แม่งั้นก็ไม่ได้นะนี่มันเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นนะ่ะจะว่างไงไม่ใช่เดินนิยมก็เดินนิเฉยนั่งภาวนาก็นั่งเฉยทดสอบมันต้องพิดแพงเ ป, งปงล่ยนแปลงหลายสันพันคมถึงทันกันผมนบอกแล้วว่ากิเลสอะไรจะแมมยมผมเกินกิเลสว่า ก่อนไปที่ไหนมันก็เป็นป่าไปหมดเก้าตรงไหนก็เป็นป่าก้าเขาเป็นี่ก็ป่าเก้าไปทางด้านนี้เป็ป่าทางก็เป็นทางล้อทางเพียนทางเป็นดันๆไปเท่นั้นอันนี้มีทางรถทางลาตัวนมองไปทางไหนก็สูกสายลมสายตาเป็นแตสวนแต่ไร่พอเท่านั้นหาประกอบความภาคเปลี่ยนก็หาได้ยากมันไปทางบางสามหมอไปทางตากตะลังมานที่จะพูดก็โอ้ ภูเรศเขาเรียกอะไรความหลังนาย้อนหลังความหลังก็จะเป็นความสลดสังเวชความอะไรอววรไม่จะน้อยเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบโลกมันเป็นความหลังไปคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะแถนั้นเป็นแถวที่เราเที่ยวทั้งนั้นจนมาถึงภูเหล็กภูอะไรทางทังานอยู่แถนี้มา นูนะ่นตั้งแต่วันตดัดผูวงแถวนั้นไปหลายข้างหายหนนี่ไม่ใช่น ห, หนึ่งฝนเดียวยนะปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งปีหนึ่งขึ้นทางหนึ่งอยู่นั่นนะไปซ้าหัวเก่าไม่ค่อยซ้ำหรอกไปแถวนั้นอย่างเงี้ยไปแถวนั้นแต่ไม่ขึ้นที่เก่าไม่อยู่ที่เก่านี่เดยเลําพึงลําพัน บุญถึงคุณสถานที่ที่เราเคยอยู่มาแต่ก่อนก็คือแถวเนี้ยจะเข้าไ ป, ไปบางซมหมอไปทางทิศเหนือเนี่ยจนกระทั่งถึงไปทางบ้านตาภูวงแถวนี้เป็นแถวที่เราเที่ยวจริงๆทางด้านตอดออกล้วก็ขึ้นเขาตรงนี้ก็ไปทางด้านตอนตกของบ้นของภูวงศ์น่ะเราก็ได้ไปอยู่ทางนั้น มันมีถ้าทางด้านทอนตกก็มีถ้าไปทางบ้านทุงเชือกทุงเชือกขึ้นไปนู่นมีถ้าแล้วก็ทางด้านทอดอกนี้บ้านภูวงนี่ก็มีถ้าแต่แลราไม่ขึ้นอยู่ในถ้ำขึ้นไปดูแล้วมันมันร้อนกล้วไม้ก็มีก็เหลือต้นไม้มะขา่าก็มีต้นสองต้นบนนั้นมันไม่ค่อยเย็น เราก็อยู่ตีนเขาเจ้เพราะน้ำ ม, มันมีอยู่ข้างล่างข้างบนน้ำมันน้าเป็นน้มมนนนนำรราถันฉันกล่อยๆเอออะไรบคนเขาบอกว่าฉันกินไปนานๆท้องเสียเขาว่าไงของเราไม่มีก็กินไปงัง้นก็หมืเห็นเสียนะมันก็ไม่ค่อยกินมากนะข้าวเหมือนกันมันทีว่บาบ้านอะไรม่วงม่วงมองเข้าไปเห็นบ้านม่วงเนี่ยนั่นแหละเราบาบินสบาดตรงนั้น ห้าหลังคาเรือนแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ใส่หมดตู้หลังคาแล้วบรรัาสามหลังสี่หลังใส่สา ย, สายมาบินสบายยั ง, ย, งยังนอนไม่ตื่นนะเนี่ยข้าวยังไม่สุก <c oughs> ตะวันหนึ่งนู่มาจากนั้นมาถึงหมู่บ้านก็ไกลอยู่นี้นะก็ก็แล้ก็กากหาอย่างนั้นด้วยวันหนึ่งวันหนึ่งข้าวกับพอ โอ้ยเท่านี้ก็ก็เราหาอย่างนั้นหนิหาที่ภาวนาดีๆนี่แถวนี้มียินเข้าเปาล่าเลยที่ว่านี้มันเข้าเปล่าแต่มันเงียบนะซมังคตย์ใจทํางานเนี่ยตุบตับตุบตับกลางคืนเวลาเราเริ่มภาวนาทีแรกก็มังคตยใจทํางานตุบตับตุบตําได้ยินชัดเจนแต่พอเวลาเราทํางานเข้าไปทางานมันดังคิดตับเวนาะหนาไปเลย มันก็หายเงียบไปเลยเพราะผิดมันทํางานอย่างหนึ่งต่างหากเงียบจริงๆตรงนี้ก็ดีถ้าเสียงก็มีแต่เสียงนกกลางวันกลางคืนก็มีเสียงอะไรสัตว์กลางคืนนั่นแหละแก้งมัง่งแก้งมันมีเยอะนี่แถวนั้นที่เราอยู่มันร้องก็โกเจ๊ดจ๊ดอยู่ข้างข้าง ข้าวกินพอพอยังชีดว่าจะเป็นไปเท่านั้นไม่ได้เอามากอะไรมากกว่านั้นก็ไม่มีใครตามไปเพราะข้าวแคเท่านั้นจะตามแบบไรเขาไม่ตามเราเราก็บอกไม่เป็นกังวลกับเราระว่างนั้นแล้วก็คนประเทศไหนเขาจยิบพอจะตามเราไปวะเขาก็อยู่ตามภาษาเขาเราก็ไปหาอย่างนั้นยให้เ้าไปยุ่งเราวะรมีอะไรเขามีอะไรมากยิ่งแต่ก็พอกินข้าวเป่ามันจะกินได้มากอะไรมันไม่หมดละ ข้าวเปล่าเล็นอยแต่น <c oughs> like, ี่มันก็ไม่หมดกินนิดเดียวมันก็อิ่มแล้วข้าวก็ไปวางไว้ตามนันมันไม่มากเเอาไว้ให้พวกกระจ่อนกระแตเยอะแถวนั้นนะเอาไปไว้ไว้ตามนั้นกินอย่างนันกับเดินยังกลมโอ้ตัวตัวปิ้วไปเลยนะอย่างนี้แหละมันมันทำพิจารณาย้านหลังจึงเห็นบุญเห็นคุณในสถานที่ต่างๆที่เราไปอยู่ ตรงไหนที่ดฝึกทรมานมากมากสมุกสมบัตมากมอย่างที่นั่นแหละที่ทําให้ไม่ลืมมันมันเป็นอยู่ในหัวใจเองใี่ัจจุบไนเนั้นจริงได้พูดเสมอว่าพวกอาหารประเภทป่าประเภทเขาที่เอามานี่ก็เหมือนกันนะพอมันมองเห็นป่ามันนี่มันจะสะดุดตึกึกตึ ก, ต ก, ตกย้อนหลังย้อนหลังที่เราเคยอยู่ผกัด ก, กระโดนนี่มันก็มีอยู่ในป่าในเขามันก็มีแล้วผักอะไรอะไรที่เป็นของมาจากป่าจากเขามีเยอะนี่ เขาออมาถวายทุกวันพอจะมองเห็นเท่านั้นมนนันเป็นของมันเองนะปึ๊บ <c oughs> เลยก็ไปอยู่ที่เช่นนั้นนะที่มันได้ทําแปลกปาดาราศจรัตแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยไม่ได้ได้เพราะความเดืดเอดรอนุอ่มเฟือยมันได้เระอย่างนั้เพราะถ้าหาแต่อย่างนั้นเดินกลมมันก็ไม่มีเวลา มันจิตมันทํางานอยู่ในนี้มันจะไ ป, าไปหาเวลาเวลาที่ไหนมันไม่ไปสนใจกับเวลาเวลาเดินจนกลมจนฝ่าเท้าออกร่อนวูบๆนะแต่มันไม่ถึงฝ่าเท้าแตกเหมือนพระโสณาท่านนี่เดินความตามเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น น, น, นั่นนงภาวนาก็เหมือนหัวตอมันไม่มีความวง่วงเพียงตะข่ายเฉยไม่ได้ง่วงนะกลับนั่นแหะทําให้หง่วงถ้ายิ่งจริง ฉันผัดผัดมันมันด้วยแล้วโอ้โหกรมเลยแต่ในป่านั้นมันจะมี ผ, ผัดผัดมันมันที่ไหนล่ะอย่างมากก็มีพริกนิดหนึ่งก็เอา้าก็กรบกเขียดตั้งนิดหน่อยอแล้วก็ข้างคาวเ <Yeah. S 1> ยียนตัวเล็กๆเขาปิ้งมาใต่ส่บหานก็มีกินนแล้ว <Yeah. S 1> พอกินพอเยะ พ อ, อยังที่จะเป็นไปเพื่อความเพียร น, นี่เขานั่งเรากับเหมือนกันไม่ค่อยปวดค่อยขบเลยนอนหยิดเดียวมันตื่นแล้วมีแต่วความเพียร น, นี่ทั้งวันทั้งเรื่หมู่เพื่อนหนักพูดนี่ผมไม่ได้พูดเพอคุยเพื่ออว ด, ด, ดหมูนนะ่เพื่อนนะนี่การคาทีเห็นมันเป็นนั่นอยู่แม่เด็กเหมือนกับว่าไม่ได้ห่างจากกันเลยก็เหมือนกับเขาให้หน้าทางนั้นนั่งมวยคู่ต่อสู้ เราก็ให้น้ำไปทางนี้ถ้าว่าให้น้ํำยูด้วยกันงั้นวิเรศกับเราเหมือนกันอยู่ด้วยกันอย่างนั้นก็ฟาดกันฟาดกันอยู่งั้นเรื่องความเพียรนี่โอ้ที่มาเห็นนี่มันจึงแล้วพระเจ้าวาดจำว่าโมโหมือนกับโมโหเนี่ยมันคันฟันนี่เห็นหมู่เห็นเพื่อนทําความภาคความเพียรไม่ใช่เราจะเอามาเรื่องของเรามาเหยียบย่ำหมู่เพื่อนนะเราพูดให้เป็นคติเอากินกินจริงจัิงไม่ใช่ธรรมดานี ไม่ว่ากลางวันกัางคืนการงานอะไรไม่ให้มายุ่งทั้งนั้นผมเป็นนิสัยอย่างนั้นด้วยนะ่ะถ้าลงได้ทําตัดสินใจลงไปทางไหนแน่ใจลงไปทางไหนแล้วมีทางเดียวเท่านั้นนี่ก็เรื่องของความภาคเพียรนี้เพื่อเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมดาลอืเพื่อความพ้นทุกถจาจะพูิกับอาลัตธาพูงเท่านั้นพูงนอกนั้นไม่เอาจะเอาอาลัตธาพูงให้ได้มันว่างั้นเลยพ้นทุกอย่างโดย่ายเดียวเท่านั้นในชาตินี้จะไม่ขอเกิอดอีกแล้ว มันมันหนักมันแน่นอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมันดึงดูดกันเองที่นี่ที่ว่าความมุ่งมั่นมันอยู่สูงสุดความภาคเพียรมันก็หมุนไปตามเองทุกสิ่งทุกอย่าง <talk themselves> หมุนท so ุกอย่างลำบากอะไรมันไม่เป็นอารมณ์นั่นก็เหมือนนักงมวยต่อกันนะมันจะมาคิดถึงเรื่องเจ็บเรื่องปวดอะไรถ้าจะิถ้าคิดถึงเรื่องเจ็บเรื่องปวดแล้วโอ้ยถูกนอกนนี้มันไม่ได้คิดถึงเรื่องความทุกข์ความยากทุกก็ทราบว่าทุกแต่กินไม่อยู่ในนี้ถ้าอยู่มันก็อยู่เป็นสัจธรรมเสีย มันไม่อยู่เพื่อความอินหาและอาใจซึ่งไม่ใช่สัจธรรมอันนั้นมันเป็นขมูไทยทุกับพิจารณาเป็นความจริงเสียเนี่ยเปลี่ยนนี่แหละที่ไปอยู่แถวนี้นวันนั้นไปนั้นตามไม่เลืนั่นแล้วเปลี่ยนหมดนะเราจังหวัดมันเป็นเรียกว่าเป็นความหลังความหลังไปเปลี่ยนหมดป่าดงที่เราเคยอยู่มันมองไปมันเป็นทุ่งนาเป็น เป็นสวนไปหมดเลยบ้านนี้ก็เคยอยู่บ้านนั่นเคยอยู่มันอยู่ตีนเขาตีนเขาพวกแถวนี้อยู่ตีนเขาตีนเขาหนึ่ง ไ, ไกลๆทางหัวมันแล้วเดี๋วเอาสายบ้านแถวนี้นเรื่อยอนะบ้านนันบ้านนี้เราก็อยู่เนี่ยพอเขาเขียนไว้บ้านเนี่ยก็ทราบแล้วว่า<อ>บ้านแถวนี้เราเคยอยู่แล้วเนี่ยที่ทางมันจะไปตรงไหนซะนั่นเองทางสายนี้เราไม่เคยไป นี่ไปก็เขียนหมู่บ้านไว้บ้านนั้นเนี่ยโอ้บ้านนี้เราเคยอยู่ก็เราก็แน่ใจนะว่าบ้านนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านนั้นอยู่ตรงนั้นแล้วรถไปมันก็ไปตรงนั้นตรงนั้นนั่นมันไปตามสายทางหมู่บ้านที่เราเคยอยู่แล้วก<น>็เห็นมาเป็นระดับระดับตลอดมาเลยเขาเรียกว่ความหลังภาพที่เราเคยอยู่มันเปลี่ยนแปลงไปหมดแต่เราก็เคยอยู่ทำให้คิด แถวหนึ่งมันหลายแห่งนะถ้าไปทางมุ่นก็อีกเหมือนกันล่ะถ้าไปทางบ้านกกอกลุกกะสะไปในเขาไปนู่นไปสาแรแว่อะไรคําประกุดภกิจไปนู่นเราก็เคยไปไปอยู่นั่นกวกปากพวกเขาแล้วอะไรบ้านนาหลักแจ้งนางน้องหมูบ้านละสี่ห้าลัางคาเรือนนั่นอนะ่ะ เราไปอยู่เขาพวกนี้เขาพูดเป็นภาษาของเขาแล้วเราฟังมาเรื่องพวกโซ่พวกขาดเขาพูดขัน้ขนๆหนห้วนเขินไปนี่เตอะไปสวนไปไรเตอะจะเละเนี่ยเะจะเนียให้เขาว่าเตอะอันตรอยไ ป, ป, ไปาอาศัยเขากินวันหนึ่งวันวนึงเขาไม่มาเกี่ยวข้องเราเลยแต่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินทุกวันนี่ ไปอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างนั้นนิสัยเรามันนี่จะโอดทั้งนั้นแหละมันพอน่าดีนี่สกลนครนี่แหละที่ได้เที่ยวมากที่สุดเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์เราเราท่านอยู่ทั้งทั้งทางบ้านโคกน้ำมนตทั้งทางน้องผืนท่านอยู่ทางโน้นแล้วก็เที่ยวทางโน้นท่านมาทางน้องผืนล้วก็เที่ยวทางนี้ปีหนึ่งไปทางหนึ่งปีหนึ่งไปทางนึ่ง มันเอาการประกอบความภาีภายยนนี่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นหัวใจจริงๆงานอื่นจึงมายุ่งไม่ได้ก่อนนว่าเดชานะผมต้งแต่ออกปฏิบัติผมไม่เคยก่อสร้างอะไรเลยแม้แต่ชิ้นหนึ่งเลยไว้เลยนะไม่เลยมีด็กฟาดของพิเด็ดตลอดเวลาตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเอาแล้วเนี่ยฟังดิยั่ทั้งหลับ ไม่ว่ากลางคืนกลางวันอิเดียบทใดมีแต่การฟัดกันอยู่ตลอดนี่จะว่าไงล่ะแล้วอุบายต่างๆก็ค่อยค่อยคิดคอยจับคันอยู่เรื่องีๆเเป็นยังไงกิจทำอย่างนี้เป็นยังไงทํานั้นเป็นยังไงทดสอบเรื่อยเพื่อหาเหตุหาผลที่จะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงเพ่งหมัดเทมวยเราวางกันถึงนู่นจนกระทั่งมันถึงขั้นของมันที่มันเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วนั่น อย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วขั้นภาวนามัยปัญญาเนี่เป็นตัวตัวขึ้นมาแล้วส่วนสมาธิก็เป็นขั้นหนึ่งขั้น น, นี้มันไม่ได้ฉลาดเนี่ยขั้นสมาธิมีแต่ความสบายสงบหิดอิ่มตัวไม่ไม่วุ่นกับอารมณ์อะไรๆหายนอกรูปเสียงกลิ่นเรื่องสัมผัสเป็นราคะตันหายอย่างนี้มันสงบไปหมดเลยมันก็ไม่ควรก็อยู่ท่านจ้ะภาวนาสงบเย็นยนั่น เข้าไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยเงียบเลยหยิบเข้าในสมาธิแล้วพอออกมานี่เหมือนกับว่าเราออกมากระทบกระทบฝนร้อน น, อน้นอนห น, น, นานวเราก็เข้าอีกเสีย้ยมาก็ทบรููเสียงกลิ่นรถเครื่องเสีผาดอะไรต่ออะไรเป็นสมมุติขันมันทำงานางนั้นมันก็เหมือนกับมันลาคาญพอถอยจิตปั้มเข้าไปในสมาธิแล้วเงียบเลยมันก็ตินอยู่นั้นเสียหนี่ง สมาขั้นหนึ่งจะว่าเป็นตัวของตัวก็เป็นเพียงขั้นสมาธิจะว่าเป็นตัวของตัวก็ก็พูดได้อย่างอะไรอย่างผิผิวเปินเผล่นั่นแหละมันความแน่ใจมันไม่มันไม่ได้เป็นเหมือนขั้นของปัญญาขั้นปัญญามันแน่ใจเรื่อยๆมันก้าวข้อขั้นถึงขั้นภาวนาวิญญาณปัญญาแล้วโอ้มีแต่เรื่องความแน่ใจแน่ใจแน่ใจหนักแน่นแน่ใจเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงว่าแน่ใจว่ากิเลสจะต้องพังให้หมดนุ่นไม่ใช่ธรรมดาน เมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมันจะไปถอยได้ยังไงความแพ้ไม่มีนี่ไม่ได้วางั้นเลยเมื่อถึงขั้นความแพ้มีไม่ได้มันเป็นในหัวใจเองวางอันไม่มีใครบอกมึงก็รู้เองอ mm hmm. คือสติปัญญางมันเพียงไกลนี่มันรวดเร็วเหมือนกับว่าเชื่อฝีมือคนหนึ่งให้วางอันะ mm hmm. จากจากนั้นไปแล้วก็ mm hmm. ก็เหมือนกับว่ากิเลสตัวไหนเก่งออกมาวางอันเลยถ้าเราจะเทียบนะเอาออกมาอื แชหมมองพิเดตัวไหนว่ามันไปออกมาถึงขั้นมันรวดเร็วเหมันนั่นอดีตสร้างความหวังให้ตัวเองหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะความเชื่อฝีมือตัวเองคุณนังไงอันนี้และถึงขั้นนี้แล้วอะไรที่นี่เรื่องที่จะว่าจะหาสอบอยงนั้นอุบายไงจะมาสู้กับพ่เดตเดี่ยวเดี่ยวนี้นี่มันไม่มีแล้ะเพราะมันเป็นปัญญาอยู่แล้วนี่เหมติวติวอันี้ไม่เชื่อพพุทธเจ้าจะจะเชื่อไง กูบาเหล่านี้พุทธเจ้าสอนไปแล้วตรงนั้นภาวนาไม่ยัปปัญญาเนี่ยพวกสอนไปแล้วพวกไม่เป็นสอนได้ไงอย่าเวลามันไปเป็นนั้นมันก็รู้เองอ๋อเรื่องนี้ถ้าไม่เป็นพูดไม่ถูกป่ะใครจะไปเดาเรื่องภาวนาไม่ยัญญาเดาเธอว่างั้นเลยนะเดาไม่ถูกถ้าไม่เป็นถ้าเป็นแล้วไม่เดาเดาไงก็มันรู้เองเรื่องสติปัญญาความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหมุนรวดหมุนเร็วหรืออะไรของสติปัญญาพลิกแพงเปล่นแปลงหลายสันพันขมนี่โถ่ ไม่มีอะไรเหมือนอยังบอกอืมาภาวนาเมญปัญญา ค, คือคือคล่องตัวเรื่อยเรื่อยตั้งแต่เริ่มแรกว่าเป็นภาวนาเมญปัญญาถึงเก้ามหาเข้าไปมหาจิตมหาปัญญาก็คือภาวนาไปเมญปัญญาคล่องตัวนั่นเองปุ่นยังไงชำนาญ น, นั่นเองถ้าถึงขั้ น, นแล้วไม่มีอะไรเขามายุ่งได้นาะไม่ได้เป็นการขาดในหั ง, งใจผมหัวใจแพก้กนะ็ใครก็เถอะน่ะถ้าลงถึงขั้นใครยุ่งไม่ได้แล้วดูกับใครไม่ได้แล้ว อยู่คนเดียวเท่านั้นถึงอยู่ได้ใครมายุ่งไม่ได้นั่นถึงขั้นคนเดียวท่านในหลักธรรมท่านก็ บ, บอกไว้เอกโกวะเป็นบุคคลผู้เดียวเ ท, ท่านาั้นท่านนะเมื่อถึงขั้นมันเป็ น, นท่านก็ บ, บอกไว้แต่มันก็ไม่ถึงใจเมื่อมันไม่เป็นในใจนะนีตำหักเลาก็เห็นเมื่อมันเข้าเมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งรับกันเองอ๋อถ้าที่ท่าน่าเอกโกวะ เป็นบุคคลผู้เดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็เป็นความเปลี่ยนของบคคลผู้เดียวผู้เดียวไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นเราพูดอย่างไว่ากันมีเป<ม>็นงั้นถึงไปแต่ผู้เดียวผู้เดียวอยู่กับใครไม่ได้มันมันไม่ให้ไม่ไม่ว่างงานเนี่ยงานอันนี้งานชุนมุนไปจับแยกกันออกได้ไงงานชุนมุนงานเข้าแต่ลุมบอลกันต้องฟาดกันเต็มเหนี่ยว อันนี้แล้วมันจะเป็นตัวของตัวไม่ต้องอาหาอบายว่าต้องคิดอย่างนั้นหรือจะคิดยังไงอะไรไม่ล่ะเพราะปัญญามันทำงานของมันอยู่แล้วไปที่ไหนกรไปทางไหนก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับไปพูดไม่ถูกนี่ในหัวใจนนะถ้าพูดอย่างแบบหิวเผินก็ว่าเหมือนว่าเราเห็นบุญเห็นคุณในสถานที่ที่เราเคยบำเพ็ญ<ม>เป็นอย่างนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านยกต้นโพขึ้นเป็นคู่เคียงของศาสนาเราลืมตาลืมพระเนตรบูชาต้นโพรรนอะไรลืมแล้วเดี๋ยวนไ ม, ม่หนังนานแล้วนานแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจ็ดเจดเจ็สี่สิบเก้าอะไรเห็นบุญเห็นคุณน้องปู่คาท่านมาพูดหนึงน่งวิงง่งถึงกันเลยนะ มันจะออกจากสถานที่นั้นเวลาคุยกันเต็มที่วันนั้นวันที่ว่าตั้งแต่สองทุมถึงหกทุมท่านพูดถึงเรื่องนี้มันแปลกนะทา่ท า, ทานว่าท่านว่าก่อนวันนั้นเหมือนกันแล้วมันเข้าใจกันเันทนีเวลาจะจากที่นั่นไปแต่แต่ว่าเป็นกินเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่างั้นนะแต่มันก็เป็นจะทำยังไงกันวะสถานที่ที่เราได้ เห็นอันเห็นธรรมรู้อนรธรรมในขั้นในขั้นสุดท้ายอย่างท่านน่ะเวลาจะจากกันไปไปออกมาแล้วไปุูแล้วนี่กับหลังหันขึ้นมาแล้วมอง ม, มองมาดูสถานที่อันกเกษมชํารานอันมีบุญมีคุณล้นพ้นอะไรท่านว่าเป็นลักษณะงั้นน่ะอืมมันรู้สึก ม, มันอ้อยอิงกันแล้วนะาาท่านมหาเสน่ห์ชอบคนที่ว่าไปจ็จีเดียรมันก็ไม่ใช่ท่านว่างั้นน่ะบางทีมันก็ยอมรับกันละสิ อย่างท่านพุทธิเจ้าท่านบยกต้นโพเป็นคู่เคียงของศาสนาแต่ว่าท่านมีกิเลสหรืออ้อยอิงเ อ, อะไรก็เป็นแบบท่านพุทธิเจ้าเนี่ยแบบจิตประเภทนั่นแหละพูดง่ายๆนะมันวิ่งถึงกันเลยมันไปออกไปแล้วมันจําเป็นที่จะได้จากได้ภาภากจากสถานที่มันไปออกไปนู่นแล้วยก็กำลังหันขึ้นมามองดูหัวนั่นเป็นลักษณะเหมือนอ้อยอิงอะไรฉันพูดไม่ถูกกันว่ากันนะ จะว่าเปยนกิเลสมันก็ไม่ใช่ท่านว่านั่นเรามันยอมรับแล้วพอท่านว้มันยอมรับเนี่ยะมันเห็นบุญนึงคุณไปย้อนไปหลังไปหมดเลย่ะไปดูั้งนู้นไปดูทางนู้นมันไปทางนู้นไปทางนู้นไปเรืยวันนั้นไปนั่นก็ไปบ้านแพนนั่นกัพอไปถึงนั่นไม่อยู่นะไปวัน เมื่อคราวที่แล้วพาเด็กเขาไปเด็กเขาเพราะเด็กเขามาไปเขาก็ไปบ้านแพงนี่เขาไม่นะเขาไปส่งไว้แล้วเขาไปบ้านแพงเลยแล้วก็เราก็บอกรถนั้แล้วให้รถย้อนกลับมาบอกเอารถบีกอัพนะั่นรถเก่งมันจะบากบางทีฮะอย่างมันสมุนธ์มันจะลบ า, บากนี่เอารถเท่านั้น นั่งรถให้ท่านใหญ่พาไปนู่นนะเข้านู่นเข้าไปทางไอ้นั่นเข้าไปทางเขาเขาเรียกว่าปากวูลเป็นนั่นแนหะอำเภอศรีสงครามอยู่ตรงนั้นอนะ่ะตัววันนี้แต่ก่อนเขาพิ่งย้ายไปเป็นอําเป็นกี่อำเภอปากวูนผมก็ไปทางนู่นเข้าทางนู่นเทานั้นกัไปถามหานั่นแนหะ เขาเียกเจ๊ตองชื่อากชื่อเจ๊ตองแกเป็นคนสาคัญเลนะเรายังไม่ลืมไอ้ลูกสาวแกนั้นตอนผมไปข่าวหลังไปปีพอตะไหลมาผ่านมานั้นไปค้างที่หนึ่งคืนหนึ่งที่ป่ายาค ง, งค้างทีนหนึ่งนแล้วเด็กคนนี้มันก็มา ปีนั้นหนุ่มอีเป็นปีเด็กคนนี้แต่งงานเหตุที่จะจาได้นะมันบอกว่ามันเพิ่งแต่งงานานะ่าแต่ความมันเป็นเด็กเล็กๆอยู่ตอนที่ผมไปที่นั่นมันมาใส่บาตรพ่อของมนะันเตี่ยของมันตองเจ้าตองอะนรออกมาเดินออกมาอีนี่มึงเอามึงได้อะไรใส่บาตรท่านล่ะงานน่ะนบายลูกสาวลูกสาวก็กอนนา <c oughs> เจนๆอะไรนะเจ้าปืนนี่งานไม่ได้ไรแล้วก็ได้ตะข่าแล้วนะ เมื่กินได้จะเข่ามันค่อยกินไหมวะเมึงกินจะเข่ามันค่อยกินไหมเมึ่อกินกับว่านตัไปหามากเยอไปเอามากลูกสาวนะมันก็วิ่งไปเด็กคนนี้มันน่อยๆอายุมันจะมาตั้งเล่าปีที่ปีเห็นว่านี่เราก็ไม่ลืมแล้วมันก็ไปส่งจทหันเรื่อยๆเด็กคนนี้ในเราจะลูกเพราะพ่อเนาะแยกแ็กตองให้ให้ไปเขาเป็นเหมือนกับว่าทำรูปฐานอยเขาก็นานไม่เห็นที่ผลนาะ นั่นล่ะแ้วนนั้นเดเขามาหาถามหาล่านเจ๊ตองอย่ตรงไหนป่ะแล้าเราเลาก็เชือแน่วะจะต้องตายละเพราะแกอัน้อันนี้แกแกเล่ามากดีเล ย, เลยมากกับตายล้วจงินแล้วลูกสาวชื่ อ, อ น, นั่นะว่าชื่อบวยนะ่าย่งมีไหวะมีพอดีไปจังมาเลยไปอะไรหน้าแหวน่ะแล้วก็มีแต่พวก้านหลา น, นเขาเล่าดีนะเด็กเขาเลาก็เลยเล่าเรื่องไหนฟัง ตอจแต่องเคยอุปธรรมปถากล้วนะตอนเราม่ถักที่ตรงนั้นตรงนั้นเราก็บอกอะไรกินคือข้ามเก่าเก่าแต่เขายังมายากมาเนี่ยอะไรอยู่ที่นู่นนะะเขาแก่เนี่เคยอุปธรมธรมประถากาาราอยเราไม่ลืมนะวะลอยเขาฟังนีเวลาอะนั่งบวยมน้าเนี่บอกนั่งบวยหน้าวะบอกว่าบอกว่าอาจารย์มหาบัวว่ามันแก้จัดตรงที่ละวะ ถ้าว่าอย่างอื่นไม่เข้าใจเราบอกอาจารย์มหาบั ว, ว, บวที่มาเคยมาพังยุคที่ น, นั่นที่ข้างน่ะตรงนั่นตรงนั้นบอกว่ามันบ่อ น, นีอันนี้มันจะรู้ทันทีพอมันเคยกับเราอยู่แล้วลตอมั้นมันพบมนนันไปบาน อ, อกนีกทำงานเลนเลยไปไปบานคา แประธานที่บันค้างวันเราอยู่อยู่ยะี้อนใหญ่มันก็ยังลอหมัวเปลนตั้งเนี่ยดูที่ไหมาท่านทําใจญ่ะท่นบุนนี้นะ่ะ<ม>เนี่ยดูที่ะคะบริเวณเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นป่าทะนั่นนั่นนี่นั่นเนี่นดูที่เดียวนี้เป็นยังไงมาคือมันโล่งไปหมดเลยมนะันมันเป็นละเป็นนาเ้าหมดเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนผมเคยมาพักที่นี่ ม, นมีเป็นตาม แล้วเสือชุมด้วยน้ำว่ะนี่มวัดนี่หนาว่ะเพราะบ่ายห้าโมงเย็นเนี่ยเสือมันตามหลังมันมาแล้วสี่ตัวห้าตัวนะ่ะมันออกมาผ่านมาวัดเลยหนาว่ะคือมันติดตัวเมียซุกโคงด้วยนะ้ำทั้งที่เสือมันมากจริงแต่ก่อนแต่สมัยผมไปพ่อเขาหากินเขาหากินตามตามนั้นนะเขาไม่ได้เข้าดงเข้าป่า ข, ขากินในานา้ําเพราะน้ํามันไม่อดแถวนั้นอาหารปลานี่ไม่อดไม่อ ย, าออย่างเขาจึงไม่ได้หาในป่าเสือยังชุมเต็มไปหมดพวกเสือผวกเนื้อเต็มตอนเสือมานี่แม้แต่ผมจะเดินไปบ้านอเ น, นี้ยบ้านคําเปียกปากยามออกไปทางสามผงนี่นี่เขาก็ยงังก็ไม่ยอมให้ผมไปฝั่งนี้เขากลัวกลัวแทนผมกลัวเสือ ก้อดงเนี่ยผมจะเดินตัดจากวัดเนี่ยตัดไปทางทิศเหนือนออกไปนู่นไปทางบ้านขามเปีย้ยแล้วก็ปากยามแล้วก็บ้านดงพนาวศรีวนชัยไปสามผมเขาจะเขาจะไม่ให้ผมไปไมันจะเป็นอะไรวะโอ้กุมือวานเนี่เสือมันกัดวัวอยู่นี่หน้าเนี่ยอยู่ทางนี่นทางไปเนี่ยผมนั่นการวัวต่างหาไม่ได้กัดคนนี่นาแล้วก็บ้าน บ้านโพงกับบ้านโดงนี่เขาเขาเบลูนนี่ผมเคยดูกับโดง ม, มาตลอดมันกัดเม่อวานเนี่ยมื่อวานมันก็ไปมันมีขางไปจะเป็นอายรไปเราจะไปปพระว่านั้นมันข้ามเรานี่น่าข้ามมันเป็นรายต า, า, า, า, ายวะ <c oughs> ผมก็ไปฟังจริงผมไ ป, ไปไปก็ไปเห็ น, นจริงเลยรอยอนนเสือมันกัดตัวหยุดการทางจริงเเห็นแต่ขี้โพขีพ้เพลตรงหญ้าเขาโกยออก เขาไปเอาเนื้อมากินนั่นแหละเห็นมันเกิดลอยมันเสือมันก็ไม่เห็นแล้วก็ผ่านตรงนั้นหละมันตามทางไปนั่นพราะทางมันพอเป็นด่านเป็นด่านเป็นทางเทียนหรืออะไรเนี่ยหลบๆคนไม่ค่อยไปละส่วนมากเขาไม่ค่อยไปมาหั่นสมกัน่ะมันไม่มีลุงรดลังลมีทางนู้นทางเทียนเศร้าๆมองๆไปพอเป็นด่านๆไปจะเห็นรอยมือแล้วก็ไปนนออกมานุ่นผ่านไปผ่านมาอยู่ เขายัมีตัววิจารณ์เผมผมไปมาอยู่เรื่อยใช่ไหมนี่เขาก็พวกนี้ก็พวกป่าทําไมจึงต้องกลัวขนหนังแต่เราก็คนป่าเหมือนกันแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนป่าน่นะนี่ป่าเราหรือว่าเรล่นอะไรเราก็เหมนกลัวถ้าพูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องเสือนี่ก้างทุ่ง ม, มันก็อยู่ตัวงังป่ายาแฝกยาแฝกเต็ม กาครคุ้งก็อยู่เรือคล้องใหญ่น่ะนั้นไม่มีป่าอยู่มันไปอยู่ทุ่งกลางทุ่งเหมืนทุ่งมันน้ําท่วมมันทนํานาไม่ได้พอตกพอฝนหมดไปมันกับหญ้แฝกเกิดเสือมันอยู่ในนั้นมันเขาถึงไม่กล้าไปไาเขาขี้ขาดมากจังเจดดูนะอยาจะไปไหนมาอะไเขามักจะห้ามเสมอเขาไม่อยากให้ไปแต่ผมไม่สนใจ ผมไปผมขมเงินหนึ่งเรานี้็ไปดูมดแต่ที่นี่ที่ที่เราว่านี้ยนะไปเนี่ยเป็นทุ่งไปหมดเลยนะตั้งแต่เหนียววัดบ้านขาสามพงบ้านขาน่าจนกระทั่งถึงบ้านขามเปียปากยามมีมีแต่ทุ่งทั้งน้ำเลยแต่ที่เราบุกป่าต่ก่อนไปไม่มีเหลือเลยนะนั่นนะดูสิมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นเลยนี่ยผมก็ไปสถานที่ที่ผมเคยอยู่เคยไปที่ผมออกมาถึงบ้าน อะไรหมุม่นดอนเตยอะไรแถวนี้ผมไปหมดน่ะที่ว่าเสือกินคนแถวนั้นแหละผมก็บอกนี่บ้านนี้บ้านเสือกินคนมันอยู่ตรงนั้นนะั่มันกินเขาข้ามันอยู่ตรงนั้นนะั่ผมก็บอกพอผมไปเที่ยวตรงนั้นมี่เขาจะมานอนเฝ้าผมเพราะกลัวเสือกินผม <c oughs> แถนั้นแหละผมเลยไล่เขากลับแต่ ท, ที่นี่นี่ละหมายตรงว่าเราพูดเขาเรียกความหลังนะ เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นงั้นมันมันเป็นทุ่งไปหมดเนี่ยก็นอย่างนั้นหลือฟังสิเพราะคนไม่ได้มีที่ทําอยู่ทากินมันก็ต้องทําอยู่ทำกินหมดจนกระทั่งถึงออกมาถึงมันแพงนะเป็นทุ่งไปหมดจริงๆดงใหญ่ๆแต่ก่อนไม่มีเลยนะมันมันมันเปลี่ยนไปหมดโดงใหญ่โด่งโตแต่นี้ไปหาูลังกายแงเกินเสือชุมพวงเนื้อชุม ก็มันก็เหมือนเดียวกทางนี้แต่ทางนู้นมันมากกว่านี้นะจัดหมดเลยไม่ม so ีเหลือนี่ก็ไปดูสภาพเก่าที่เกของไปก็มีแต่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ผ่านไปเป็นรู้แต่เพียงหมู่บ้านตัวหมู่บ้านเองมก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปหมดเลยทราบได้แต่ว่าบ้านนี้บ้านนั้นที่เราเคยไปเคยมาเคยผ่านแต่สภาพของบ้านนั้นมันมีเป็นถนนถนนไรหมดเขาตัดเป็นล็อกเป็นถนนมันไม่เหมือนแต่ก่อน ก็ไปทั้งบ้านข้อพงก็ไปแต่ไม่ได้เข้าไปนู่นที่ข้มข้าไปอยู่ลึๆกๆก็ก็เป็นแบบเดียวกันอีกนะเป็นเป็นไรเป็นสวนก็มัดเลยไปที่ไหนที่ไหนมันก็มีแต่ความหลงังความหลังอย่างว่าหละมันก็ยันกาพไปหมาแต่มันมันอดที่จะเลืเรื่องของเรา ที่เคยไปอยู่สถานที่เหล่านั้นเหล่านั้นไม่ได้นะสถานที่เหล่านั้นมันเป็นสถานที่เหมืน <c oughs> ว่าทรงบุญทรงคุณนะในหัวใจเรานะไม่ลืมนะประกอบความเพียรไม่ทำเล่ น, ลนๆอย่างนี้มึงบอกว่าขึ้นเบทีไม่ได้ลงกี่ปีเคยพูดให้หมูฟันฟังก็คืออย่างนี้เองสู้ตลอดเลยงานการอะไรจะมายุ่งไม่ได้ไม่มีงานการอะไรมายุ่งเลย ทวันทั้งคืนเลินแต่หลับเท่านั้นทําำในความเพียรความเพียรจะไม่ใช่ความเพียรธรรมดาความเพียรแบบอดนอนผ่ออาหารนี่เพียอดอาหารนี่เพียมันจะมันทุกข์อ่ะแต่นั้นเ่็คนคํานึ่งอ่ะบางครั้งกลับมาลงมาครพ่อแม่ของอาจารย์อยู่น้องขือ่อนี่คป็นท่านท่าน ท่านคงจะตกใจตกตะลึงนี่ไงอผมมันเหลืองหมดทั้งตัวเลยนะมันคงดีซ่านนี่อะไรไม่รู้อย่างนั้นแต่เราไม่เคยเป็นกังวลพอมากราบท่านแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างี้ละ่ละท่านคงตกใจภาษาโลกโลกตกใจเพราะมันเหลืองหมดทั้งตัวแล้วเหมือนหนังมีแต่หนังห่อก็ดูมันผอมขนาดนั้นนะ นั่งหอบก็ดูเหลืองเหมือนเหมือนทาขามิ้นขมิ่นอะไรอ่างนี้ที่สักเดี๋ยวท่างแจก้ปุ๊บนะท่านกลัวเราจะใจกําลังเสียกําลังใจโอ้ทำไมเป็นง่้นล่ะทักเดี๋ยวท่านจะแจก้ปุ๊บมันต้องอย่างนั้นนักรบท่านว่าความทนักรบมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันว่ามันต้องอย่างนั้นสินาะนท่านแก่ท่านก็รู้แล้วว่าเข้าใจแล้วคงว่างั้นนะ มาท่านที่รามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีแต่นังห อ, อ ก, กระดูกห อ, อ ก, กระดูกมาไม่ได้มีเนื้อมีหนังติดมานี่อเอายิงๆมันยังบอกแล้วฟัดเป็นยิ่งกินแต่ภายในใจมันไม่ได้เป็นอย่างอหนังห อ, อ ก, กระดูกนะเนื้อมันสว่างกระจ่างแจ้งมันโอ้ยพูดไม่ถูกนะ่ะยืนข้างในนี่สว่างจ้าจ้าจ้า ยิ่ถึงขั้นปัญญาหมุนรอบตัวด้วยแล้วนั่นมันยิ่งพูดไม่ถูกเลยล่างอันนี้ก็เหมือนเก้วไอเหมือนแก้วครอบตะเกียงอะตะเกียงเหมือนแก้วตะเกียงจากประยุนนั่นไงใส่ตะเกียงอะไรตะเกียงจะกปรยุนนั่นมันเป็นดวงไฟนนัมันส่องแสงสว่างออกมาจากแก้าครอบอันนี้จิตเหมือนกันเหมือนกันมันส่องความสว่างออกมา น, นี่จ้าไปหมดเลย มองเห็นตัวเจ้าของยงเป็นเงาเงาเท่านั้นนั่นฟังดิอำ น, จอ น, นาจของปัญญาที่มันมันชะมันล้างอะไรต่ออะไรออกจิตนี้ตัวนั้นถึงสว่างอาจจ่ย์แจ้งเจนเจ้าของเองก็ยังอาศัยกรรมเจ้าของผมไม่ดืมนะ่ะเนี่ยที่มันตั้งมันเกิดปัญหาขึ้นผมไม่ติด ป, ปัญหานี้แก้ไม่ตกก็พราเห็นนี้เองร่างกายนี้มองไปมันไม่เห็นนี่ มันมันเป็นเหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุภายในนี้มันสว่างเจ้ามันเพียงเป็นเกียงเงาเงาร่างกายความสว่างของจิตนี่มันซ่านออหมดรอบตัวเลยทีนี้มันมันก็เกิดความมัศจรรย์เราก็ยิ้มขึ้นมาเลยยืนอยู่ กิตนี่ทำไมถึงสว่างสวยขนาดนี้นะอาสจรรย์ขนาดนี้เท่หน้าวะเจ้าของเองอาศจรรย์เจ้าของมันทำไมถึงอาสจรรย์ขนาดนี้เท่าน้าที่สว่างแบบสว่างพิลึกกึ่งๆร่างกายทั้งล่างนี้มันทะลุหมดความสว่างจ้าไปหมดเลยเป็นเหมือนเพียงเงาๆท่านั้นร่างกายอำนาจของความสว่างมันมันมากเกินกว่าที่จะอันนี้จะปิดบังมันได้วางเพราะ เาวิตกนี่รับคู่เดียวเท่านั้นแหละทำมาอันประเภทหนึ่งก็ขึ้นนะสินี่ลราตรงที่เรางงข้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตยอยู่เรแไปกราบเรียทนท่านท่านจะใส่ผางอยู่วท่านั้นมันจะรู้เลยในขนาดนั้นเลยนะเนี่ยที่ว่าทางไม่เคยเดินสิไม่เคยรู้ไม่มีผู้สอนมันเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เสียไปล่ำเได้นานนะเตดปัญหาเจ้าของ ถ้ามีจุดมีต่ำแห่งพุรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมีหนักแล้วนะบอกคงซะด้วยนะจุดก็คือจุดแห่งความสว่างนั่นแนะ่ะจุดนั้นอนะ่ะความสว่างนั่นแหละคือตัวพบพบยังอยู่ตรงนี้นะความหมายเวลามันถามแล้วมันถึงรู้นี่ตอนนั้นไม่รู้นะถ้ามีจุดมีต่ำแห่งพุรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบบางโหยงงงไปหมดเลยเรา มันจะถามใครก็ไม่ทราบมันไม่ลงใจที่จะถามเลยถามก็จะมาพูดงูกับปลาเราฟังพอให้ลำคานนี่งแล้วพอให้อ่านภูมิผู้ถามผู้ตอบ้นอีกเรื่อยซ้าไปนี่อ่านไม่จะอ่านแบบเหมือนก็ดูถูกแต่ไม่ใช่ดูถูกนะภูมิขนาดนี้ก็ยังม า, ม า, ม, ามาสอนเราได้นี่นะมันจะตึงงั้นมันจะจะตอบไม่ถูกนี่นะที่ปัญหาที่เราถามไปนั่นแต่ภูมิกี่ตัวเพื่อนนี่นะ ยิ่งไปทงมันผ่านมันไปแล้วมันจะงเอือรู้อ๋อปัญหานั้นแหมไม่ผิดเลยึ้แต่เราจับไม่ได้จับไม่ถูกไม่รู้จะไปจับโอ่งไหนเยอืงงเหมือนไก่ตาแตกนั่นเพราะงั้นการที่ปฏิจจคติอาจารย์ผู้รู้ฉลาดมันลําบากนั่นทําให้เสียเวล่มเวลาได้ถึงมันจะไปได้ก็ตามแต่มันก็เสียเวลาเนี่ยเรื่องความนอนใจไม่นอนแหละมันจริงจริงไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นที่มันแก้ยากมันลําบาก รู้คําำแปลผู้ว่าจาร์ผู้ผ่านมาไปแล้วอย่างหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อแม่ครูอาจารย์กำลังดีพอกราบเรียนท่านาานั้นท่านนั้นเองนะท่านจะใส่ผางอยู่มาเลยท่านนั้นมันจะแตกกระจายถึงในขณะนั้นเดียนน ะ, นะท่งเป็นการเข้ามาผู้บรรลุธรรมในขณะที่เโตตอปัญหาจบลงมีเยอะนะเนี่ยในตํารานะเวลาไปชวนถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่างั้น แล้วผู้พู้เจ้างงองตอบปัญหาให้เสร็จแล้วบรรลุธรรมในขนาดนั้นนะมันก็มาเข้าขนาตรงจุดนี้นี่ข้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีอยู่ยนี่มันจะผางในขนาดนั้นเลยนะแต่นี่ท่านผ่านไปแล้วนี่เราก็แบกปัญหาจะนึกกว่าจะผ่านไปได้นโหก็เป็นกับตายนานนี่อย่างนี้พูดถึเรื่องความสว่างขี่จิตมันเป็นอย่างนั้นไอ้หนังหอก็ดุกวิญิงณสิ อมันไม่ไมันม่มมมสําคัญอะไรกำหนังหอกระดูกนี่ยิ่งกว่าธรรมชาติที่สว่างจ้ามีคุณค่าขนาดไหนไม่มีอะไรเทียบได้นะในโลกคันนี้มันว่างั่นเลยนะแต่เพียงแค่นั้นมันก็ยังถึงขนาดนั้นแล้วนี่แหละความเพียรมันถึงมันไม่มีอะไรมายุ่งได้นะผมไปทํานั่นทํานี่กับอะไรผมทำไม่ได้นะถ้าวันในขั้นสมาธิมันก็หมุนแต่กับสมาธินเสียนี่ ยิ่งขั้นปัญญาขั้นนี้ด้วยแล้วอะไรมาแตะไม่ได้มันยุ่งไม่ได้อยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นคือทํางา น, นตลอดนี่พูดแล้วก็พูดอย่างนั้นเองยาแค่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมันพูดคนเดียวเหมือนก็นมาโกหกกันเล่นอย่างไรกันทำอาบุญเจ้าเป็นเครื่องยืงนยันยืนยันในหัวใจเจ้าของสิมันรู้ในหัวใจเจ้าของยอมรับเองอนะ่ะ น, นี่พูดเรียนมาก็ากา้วแต่ปากแฉะด้แจะชื่อแล้แต่ความจำความจริงไม่ปรากฏในใจอย่างนั้นน ะ, อ, ะอาอเลือกแล้ ว, นลวงไนนะ